มีเขาอยู่แล้วยังดึงอายเข้าไปหาอายคนนอกสายตาเจ้าบอแค่บอสนอายมันคนใจง่ายที่เจ้าบอลูโตนเบรนําคำํำว่าคนเหดให้เฮาเปลี่ยนไปเจ้าไม่เหตในหูซึกดีแล้วก็ยัางนี้ไปเจ็บแธอเนอใจไอยอยากถอยคืนกลับมาแต่ใจมันพังไปเบิดแล้วเหตใ ด, ดแค่เลือดใจเจ้าควาง พอตัวที่เขาไปเป็นมะลิงกิงกองสารน้องกองแกงมาลงมาแนงมับะลองปองแป้งงองแงงงงแงงในชีวิตเจอพอตัวที่เขาไปเป็นมะลิงกิงกองสารน้องกองแกงมาลงมาแนงมาบะลองปองแป้งงองแงงงองแงงในชีวิตเจอป้าเป็นพี่บาวไหลาขอพ่อเจอตั้งแต่หน่อยจนใหญ่ก็พึงสิเคยเจอบะลองกองแกงะนอดใจาย ขอโทวที่เขาไปเป็นมะลิงกิงกองสารน้องกองแกงมะนองมะแนงมัพปลองปองแปงงงแงงงงแงงในชีวิตเธอขอโทษที่เขาไปเป็นมะลิงกิงกองสารน้องกองแกงมะนองมะแนงมัพปลองปองแปงงงแงงงงแงงในชีวิตเธอปานเป็นพี่บาเว้ไลายกระพอเธอตั้งแต่น้อยจนใหญ่ก็พึงสิเคยเจอมลองกองแกงแถน้อใจอาย มันพังไปเบิดแล้วเห็ุใดแค่เลือดใจเจ้าคว้าขอโทษที่เขาไปเป็นมะลิงกิ้งกองสารน้องกองแกงมะนองมะแนะงมับปลอง ป, องป่องแปงง้องแงงง้องแงงในชีวิตเธอขอโทษที่เขาไปเป็นมะลิงกิ้งกองสารน้องกองแกงมะนองมะแนะงมับปลองป่องแปงง้องแงงง้องแงงในชีวิตเธอปั่นเป็นพี่บาวไลกับเพราะเธอ แต่น้อยจนนายกระพึงสิเคยเจอมาลองกองแกงแทนอน้อใจอายเพราะัวที่เขาไปเป็นมะลิกิีงกองถะาลน้องกองแกงมันเอาแนงหมับพาลองกองแป้งงองเงงงองเงงในชีวิตเจอพราะถัวที่เขาไปเป็นมะลิงกิีงกองถ้าล้น้องกองแกงมันเอาแนงมับมอลอง กองแกงถน้อใจา